เพราะว่าพวขาไม่คุ้นนะกับป่ากับป่าแบบบ้านเราป่าบ้านเรานี่มันรกทึบจริงๆป่าบ้านเขานี่มันโรคมันโปร่งเช่นป่าสนเราจึงต้องมาเจอมแมลงเจอมดแล้วที่เขาเจอกันแทบทุกคนก็คือตัวกิ้งกือนะกิ้งกือนี่ออกมาเดินเพ่นพ่านนะแล้วกิ้งกือนในป่านี่ก็ใหญ่ซะด้วย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 หรือว่าคำนึงถึงสิทธิของสัตว์ต่างๆที่เขาได้อาศัยอยู่ในป่ามาช้านานรวมนั่งต้นไม้ด้วยแต่การที่ได้มาอยู่ลำพังในป่าแม้จะเพียงช่วเวลาไม่นานนี่มันก็ค่อยๆทาให้เขาได้ซึมซับได้เห็นว่าแท้จริงแล้วนี่ป่าเนี่ยเป็นของของสิงสารสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ไม่ใช่เจ้าของ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 อาจจะพอๆกับเราหรือมากกว่าเราก็ได้เพราะว่ามแมลงหรือสัตว์เหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่เปล่านๆะเขาก็ช่วยบํารุงป่าด้วยนะมนต์นี่ก็มีประโยชน์ต่อป่ามากกิ่งกือก็มีประโยชน์ต่อป่านะเผ็ดเอวยน ะ, มะแมลงนกก็มีประโยชน์ต่อป่าเช่นช่วยนะปลูกต้นไม้ปลูกป่า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 ถ้ารักธรรมชาติก็ตอนที่ได้มารู้ทรแล้วได้ปฏิบัติทมแล้วก็รู้ทมแล้วก็เกิดความรักธรรมชาติอย่างมากก่อนหน้านั้นถ้าเป็นคาราวาท่านก็ถางท่านก็ตัดต้นไม้ทําไร่ทานาเห็นต้นไม้ก็ถ้าต้นไม้สวยก็ตัดมาทําบ้านทําเรือนแต่ว่าพอได้มารู้ทม ความรักธรรมชาติเกิดขึ้นนะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเห็นต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อนหรือเป็นลูกเป็นหลานเลย ก, ก็ด้วยด้วยซ้ำหลวงพ่อท่านเล่าว่าเวลาไปเทศไปสอนที่อื่นมาไปไกลๆนานๆกลับมานี่อย่างแรกที่ท่านทําก็คือมาดูต้นไม้ที่ท่านปลูกที่สุกโตนี่แหละนะ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 อย่างที่เราก็ทราบพระพุทธเจ้าท่านก็ประศุตตายต้นไม้ท่านบรรลุธรรมตัดสรู้ก็ตายต้นไม้แล้วก็แสดงธรรมครั้งแรกก็แสดงธรรมในป่าแล้วก็อยู่ในป่าเลยมาที่เรียกว่าอารามไม่ว่าจะเป็นเวรุวันเชตวันมหาวันแล้วก็ประนิพนธ์ก็ใต้ต้นไม้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 อันนี้มันยากมากที่จริงไม่ใช่แต่เฉพาะฝรั่งหรือว่าคนจานวนไม่น้อยนะคนไทยจำนวนไม่น้อยนะพวกเราเวลามาปฏิบัติก็คงจะรู้สึกว่ามันยากนะการที่จะรู้เฉยเฉยเนี่าครูบาอาจารย์หอว่าทีเรียนก็สอนว่าให้รู้เฉยเฉยนะไม่ต้องทำอะไรนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับความคิดอารมณ์ความรู้สึกรู้เฉยเฉย มีความคิดเกิดขึ้นก็แค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปกดข่มมันแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นมันไปคล้อยตามมันลหลงไหลมันมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆไม่ต้องผลักไสมันแม้ ว, ว่ามันจะเป็นอกุศลธรรมคิดดีก็ช่างนะคิดไม่ดีก็ช่างนี่หลวงพ่ อ, อเขียนก็สอน <c oughs> ความหมายรู้เฉยๆคืออันนี้แต่ว่ากลับเป็นเรื่องยากสาหรับนักปฏิบัติ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 แต่เราสังเกตเมื่อว่าเป็นเพราะการผักสายของใจนี่แหละมันที่มันก็เลยทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นเสียงไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์นะแต่ว่าการผลักสายของมันต่างหากที่ทำให้ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเพียงแค่แค่ฟังเฉยๆได้ยินเฉยๆสักแต่ว่าได้ยินใจก็ไม่เป็นทุกข์เลย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 ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเะจริญสติไปเรื่อยๆทำถูกวิธีก็จะก็จะกลายเป็นผู้เห็ น, นไม่เข้าไปเป็นไม่ว่าจะผลักสายหรือว่าหลงไหลเคลิบเคลิมหรืออยากครอบครองเนี่ยมันก็ล้วนแต่พาไปสู่การเข้าไปเป็นทั้งสิ้ น, น <c oughs> มีความปวดเกิดขึ้นอยากจะผลักสามัน ก็กลายเป็นผู้ปวดเสียเองแต่ถ้าลองถอนใจออกมาแะเห็นมันให้ความปวดนั้นเนี่ยแม้ยังมีอยู่แต่มันก็แค่ปวดหรือเมื่อยที่กายนะแต่ว่าใจไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วใจทันทีที่เราผลักไสมันไม่ชอบมันนะใจเป็นทุกทันทีนะอย่าไปซ้อย่าไปซ้าซเติมตัวเองนะ ก็คือเมื่อปวดก็ให้ปวดแต่กายเมื่อแต่เท้าหรือขาแต่ใจไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะก็เพียงแต่รู้เฉยๆความโกรธมันเผาลนใจเพราะเราเข้าไปเป็นมันแต่เม่อใดก็ตามนะที่เรารู้ทันมันเมื่อรู้ทันแล้วไม่ไปผักสายมัน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 มันเกิดขึ้นเพราะความเผลอเพราะความไม่รู้ตัวของเรานะแต่พอเรารู้ตัวขึ้นมาเหมือนกับว่าเจ้าเอากับโจรโจรมันแอบเข้ามาแล้วพอมันจะเอกับเจ้าของบ้านเนี่ยมันก็หนีไปเลยนะไม่ต้องทําอะไรกับมันที่นี่ตะก่อนเนี่ย ม, มันมีคนชอบมาตัดสมุนไพรในวัดเยอะ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 คือมันยังเจือไปด้วยความอยากจะผลักสายความโกรธนะเวลาเราล้วนมีความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยลองดูเข้าไปในส่วนลึกซะว่ามันมีความรู้สึกเป็นลบความรู้สึกอยากจะผลักสายความโกรธดูหรือเปล่านะถ้ามันยังมีตรงนั้นอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอาน้ําดับไฟก็จริงแต่ว่าน้ำเนี่ยมันเจือด้วยน้ํามันน้ําเจือด้วยน้ํามันเนี่ยมันก็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 แทนที่มันจะดับนะมันก็ฟูมากขึ้นต้องให้เราเนี่ยใจของเราต้องเป็นอ่าเป็นให้มันเป็นสติบริสุทธิ์นะเหมือนกับน้าที่เป็นน้าบริสุทธิ์จริงๆไม่ใช่เจือด้วยน้ํามันถ้ามีถ้าสตินะั้นมันเจือด้วยกิเลสนะหมายถึงว่ามันมีตัวความอยากจะกดข่มความโกรธอยากจะผลักสายความโกรธออกไปเนี่ยไปเจออยู่เนี่ย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 พอมันมาอีกนะก็จะรู้ทันมันได้ง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นวิธีการเดียวกับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยนะมันมันจมันจําเชื้อโรคต่างๆได้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่ามันจะจาได้ก็ต่อเมื่อมันเคยเจอเชื้อโรคเหล่านั้นมาแล้วอย่างน้อยสักครั้งหนึ่ง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 เพราะนั่นนี่เราอย่าไปอย่าไปงดหงิดหัวเสียนะที่มันพลาดท่าเสียทีกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครัง้งเลาฟุ้งซ่าแล้วฟุ้งเผลอคิดแล้วเผลอคิดอีกนะถ้าเราปฏิบัติแล้วก็แ ย, ยามเฝ้าดูมันบ่อยๆเนี่ยเราจะจํามันได้และต่อไปนะเวลามันเกิดขึ้นเราก็จะรู้ทันมันได้ไวแต่ก่อนนี่คิดไปฟุ้งไปหลายเรื่องหลายราวถึงรู้ทันว่าเผลอคิดไป